บุคคลควรประพฤติ ธ, ธรำรให้สุจริตคำ ว, ว่าธรรมะในที่นี้เนี่ยนะไม่ได้หมายถึงคําสั่งสอนนะแต่หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่เราประกอบกิจการงานคําว่าธรรมเนี่ยมีความหมายหลายอย่างบางทีก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างแลยก็ว่าได้นะอย่างเช่นธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น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 ซึ่งสมัยนี้อาจจะไม่ค่อยดีแลนะแต่สมัยที่อาตมาเป็นเด็กเนี่ยก็เคยได้ยินนะเป็นคำเตือนเป็นคำวิจารณนะ์การให้ทานหรือการภาวนาว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างสุดจริตแต่ครนี้เนี่ยนะเราจะมาพูดถึงความหมายนะในความหมายแรกก่อนนะว่าทำเนี่ยก็คือว่าการทำการงานต่างๆการทำงานต่างๆเนี่ยก็ควรทำให้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 บางทีก็สร้างหลักฐานเท็จนะนะเพื่อจะได้จับกลุ่มเขานะเอาเข้าคุกเข้าตารางอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำหน้าที่นะอย่างไม่สุจริตก็เป็นการทุจริตในหน้าที่เหมือนกันนะ ก, าการกลั่นแกล้งคนอื่นแต่ส่วนใหญ่แล้วการกลั่นแกล้งเนี่ยนะกับการคอร์รัปชันหรือการเบียดบังประโยชน์เนี่ยมันก็ไปด้วยกันนะนะเช่นแกล้งจับเขานะเพื่อจะได้ เรียกเอาเงินนะยัดยาเนี่ยยัดยาให้เขานะบางทีแค่เม็ดเดียวแ่ะแค่นี้ก็มากพอที่จะตำรวจจะจับกลุ่มได้เมือ่อสองสาอาทิตย์ก่อนเนี่ยก็ไปไปเยี่ยมนักโทษในเรือนจำนักผู้เขียวไปกับคณะผู้พิพากษ า, าก็มีการเชิญนักโทษนะนักโทษเด็ดขาดนั่คือนักโทษที่เ้าเรียก ว, ว่าตัดสินเรียบร้อยแล้ว ให้มาสนทนากันเป็นเด็กวัยรุ่นทั้งนั้นแหละยี่2ิบเ็ดยิบยิบสามทั้งหญิงและชายก็หลายคนก็พูดว่าเนี่ยตอนที่ตัวเองถูกจับเนี่ยนะตำรวจเนี่ยก็หาหลักฐานไม่ได้ก็เลยยัดเลยยัดยาให้ไปสองเม็ดนะถ้า้ไม่พอนะก็จะบอกว่าเนี่ยนะถ้าอยากอยากพ้นคดีก็ต้องหาเงินมา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 ไม่มีเงินนะไม่มีเงินก็ต้องหารายได้าจากการขายยานะซื้อมา10เม็ดนะขายไป8ดเม็ดก็คุ้มละนะก็เท่าทุนละอีกสองเม็ดก็เอาไปเสพเองนะถ้าอยากเสพก็ต้องไปขายขายยาขาย8ดเม็ดก็ได้2เมนะ็ดตำรวจก็อยากจะจับผัวนะแต่ไม่มีหลักฐานนะก็จับเมียแทนนะยัดยาให้เมียเนี่ยนแบบนี้ก็มีนะ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 เมืองไทยมันมีกฎระเบียบเยอะนะจะไปขออนุญาตนะขออนุญาตขอต่อทะเบียนรถนะสมัยก่อนก็ต้องยัดเงินนะหรือว่าจะไปทำบัตรประชาทํทำใบขับขี่นะบางทีก็ไม่อยากจะเสียเวลาก็ยัดเงินนะหรือว่ า, าทำหน้าที่เซนะ็นใบอนุญาตให้กับ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 มาตอกย้าเรื่องความสุดจริตนะในหมู่คนไทยนะซึ่งอ้างตัวว่าเป็นชาวพุทธนะแต่ว่าถ้าเรานับถือพูทจริงๆเนี่ยให้การที่จะทุจริตเนี่ยมันทําได้ยากนะเพราะว่าศีลเนี่ยมันจะค้าเอาไว้ศีลนี่มันจะจากับไม่ให้เราทําการทุจริตเพราะว่าเวลาจะทุจริตได้เนี่ยนะมันก็ หมายถึงการคอร์รัปชันก็เป็นการโกงเป็นการขโมยชนิดหนึ่งแล้วนอกจากการขโมยนะที่เรียกว่าอธินาธาแล้วเนี่ยมันก็ต้องโกหกเพื่อปิดบังความจริงนะมันก็ต้องใช้มุสาวาทแล้วพวกนี้เนี่ยพอมีเงินมากนะก็ไปเที่ยวผู้หญิงนะก็ผิดศีลอีกนะข้อสามกาเมแล้วก็กินเหล้านะสุราเมรยะเนะี่ยคือ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 แต่ว่าไม่ขโมยนะโอกาสที่จะคอร์รัปชันนะเงินเป็นหมื่นเงินเป็นแสนแต่ไม่ทําไปซื้อของนะให้กับบริษัทนะหรือว่าไปซื้อของให้กับวัดนะร้านค้าเขาให้ค่าคอมมิชชั่นนะแสนหนึ่งน ะ, ะเาให้ถ้าซื้อร้านเ้าเขาให้คอมมิชชั่นกับ เจ้าหน้าที่นะหนึ่งมื่นเข้ามายื่นผลประโยชน์ให้ก็ไม่รับเพราะว่ามีหิริโอต ป, ปะหนะิริโอต ป, ปะหิริก็คือความอายชั่วอต ป, ปะคือกลัวบาปนะอายชั่วกลัวบาหิริเนี่ยมันหมายความว่าหมายความว่าจะลึกถึงชื่อเสียงวงตระกูล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 คดโกงเนี่ยมันก็ไม่มีนะังั้นสมาธานวิรัตเนี่ยมก็เป็นตัวช่วยทำให้ละเว้นการทุจริตได้ข้อที่สามเนี่ยคือสมุดเฉดวิรัตนะก็คือละเว้นการทุจริตเพราะว่าไม่มีกิเลส น, นะที่จะทำให้เกิดความอยากจะผิดศีลนะอันนี้ก็หมายถึงสภาวะจิตของพระอรหันต์หรือพระญยบุคคล อันนี้สําหรับพวกเราเนี่ยนะสองข้อแรกสําคัญนะสัมปติวิรัติเนี่ยกับสมาทานวิรัติที่จริงหิริโอตปะกับศีนเนี่ยมันมาด้วยกันนะคนเราเนี่ยจะรักษาศีนได้มั่นคงเนี่ยมันต้องมีหิริโอตปนะถ้าไม่มีหิริโอตปะไม่มีความอายชั่วโกลบาบเนี่ยนะมันก็ผิดศีนได้ง่ายรักษาศีนยังไงก็รักษาไม่ได้ถ้าไม่มีนะความาละอายชั่วกลัวบาป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 แต่คนเราถ้าฉลาดนะก็จะรู้ว่าอาการรักษาศีลนี่แหละนะมันเป็นการรักตัวเองอย่างแท้จริงคผูเจ้าตัดว่านะคนฉลาดเนี่ยนะคนเรียกว่าท่านเรียกว่าคนชั่วหรือคนผ่านปัญญาสามเนี่ยยอมทำกับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรูย่อมทำกับตัว เ, เหมือนเป็นศัตรูมานก็าว่าไงมากวมว่าทำร้ายตัวเองหาเรื่องเดือดร้อนใส่ตัวด้วยการผิดศีล แล้วก็ตามเนี่ยศีลอย่างเดียวก็ไม่พอหิริอุตปาอย่างเดียวก็ยังไม่พอนะมันต้องมีทำ ม, มากอย่างอื่นเขาไปค้าจุนด้วยยกตัวอย่างเช่นคนเราเช่นถ้ารู้จักพอนะถ้ารู้จักพอเนี่ยเช่นมีสันโดษเนี่ยหรือสันตถีธรรมเนี่ยไอแรงจูงใจที่จะอยากจะขโมยเนี่ยอยากจะขารับชั้นเนี่ยมันก็ไม่มีนะแต่เป็นเพราะคนเราเนี่ยนะปล่อยให้ความโลภเนี่ยครองใจ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 นะมีความโกรธเกิดขึ้นก็รู้ทันมันก็วางมันก็เบาลงมีความโลภเกิดขึ้นอยากจะออยากจะมีสิ่งเเสพนะแต่ว่าพอรู้ทันนะัมันก็สงบลงนะความสงบในใจเนี่ยนอกจากสมาธิแล้วเนี่ยสติก็สําคัญมากเนฉะนั้นะถ้าเราถ้าเราอ่ามันเจริญสติอยู่เสมอเสมอมันทําสมาธิภาวนาอยู่เป็นประจําเนี่ย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 ท่านก็มีอัฐบริคาร้าไม่กี่ผืนอไม่กี่อย่างแต่ทำไมถึงมีความสุขได้มีความสุขกโยมนะซึ่งมีมากมายนะเพราะว่าท่านมีความสุขทางใจเข้าถึงความสุขทางใจแล้วนะมันก็พึ่งพาวัตถุน้อยลงนะมีอัมีแค่บริคารแปดก็มีความสุขได้นะแล้วสุขยิ่งกว่าคนที่มีเงินมากมายนะร้อยล้านผ่นล้านสิกสเตมันยังช่วยทาให้เราเนี่ยนะไม่ประพฤติผิดในทางอื่นได้ด้วยนะ เพราะบางทีเนี่ยนะอย่างที่บอกนะคนเราเนี่ยทุจริตส่วนนึงก็เพราะว่าอยากจะกันแกล้งอยากจะกันแกล้งเพราะมันมีความโกรธอยากจะแก้แค้นแต่ถ้าเรามีสตินะความโกรธความพยาบมันก็ครอบงำไม่ได้ไอความคิดที่จะไปกันแกล้งใครโดยใช้อํานาจที่มีมันก็ไม่เกิดขึ้นมันก็เป็นหลักประกันนะว่าเราจะใช้หน้าที่ไปในทางที่เที่ยงธรรมสุจริต ไม่ไปรังไม่ไปการแกล้งใครบางคนเนี่ยทุจริตเพราะกลัวนะไม่ใช่เพราะโกรธไม่ใช่เพราะโลภอย่างเดียวกลัวนะอย่างที่พูดเมื่อเช้าเนี่ยพูดสองวันก่อนนะว่าคนเดิวนี้เนี่ยกล้าทําชั่วกลัวทําดีนะกลัวกล้าทําชั่วเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนเพื่อนชวนนะเวลาจะทำดีก็กลัวนะกลัวว่าจะเป็นแกะดำนะถ้าหากว่าไม่รับสินบน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 กลัวที่จะมีศีลนะเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนเขาดูถูกเหย็ดยามเดี๋ยวก็จะไม่คบเดี๋ยวเขาจะไม่ยอมรับไอการที่เรากลัวการไม่ได้ะการถูกปฏิเสธการไม่ได้รับการยอมรับเนี่ยนะมันก็เป็นเพราะเราไม่เห็นคุณค่าภายในนคนเราถ้ามีความสุขภายในเราก็จะเห็นคุณค่าของตัวเองใครเขาไม่ยอมรับเราเพื่อนไม่ยอมรับเพราะเราไม่กินเหล้าเพราะเราไม่โกงเราก็ไม่เดือดร้อนอยู่คนเดียวก็ได้อยู่คนเดียวก็มีความสุขนะเพราะว่าเรา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 ไอคนที่ตัวเองจำนี่เขาผูกคอตายนี่มันเสียใจายมากเลยนะเสียใจยจนทั้งเลิกเป็นตำรวจเลยอันนี้ก็เรียกว่าไ อ, อ, อความผิดที่มันที่ทาเนี่ยความทุกขจริตที่ก่อเนี่ยมันก็มันหลอกหลอนจิตใจอันนี้เรียกว่าอัตตานุวาทภัยนะซึ่งสมัยนี้เนี่ยนะมันมีน้อยลงไปทุกทีแต่ก็สำคัญนะเพราะว่าถ้าคนเราเนี่ยทำชั่วทำทุจริตเนี่ย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 นะหรือว่าอาจจะทำให้ถึงกับตายไม่สงบเพราะนะั้นเรื่องการสุดไม่มีวิธีอะไรนะที่ม่ทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้นอกจากการที่เร า, าบำเพ็ญสุดจริตธรรมนะาภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า Honest ภาษาฝรั่งนี่มันมีมันมีคำพูดของนักธุรกิจนะซึ่งหลายคนก็ยึดถือเป็นหลักนะนะเขาใช้ว่า Honesty is the best policy นะ